พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้ามาระสังยุตว่าด้วยเรื่องมารหมวดที่หนึ่งตโปรกรมมสูตรว่าด้วยการบำเพ็ญตะบักสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ต้นอาชาปาลนิโครดใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้พ้นแล้วหนอจากทุกรากิริยานั้นเป็นผู้พลดีแล้วหนอจากทุกรากิริยาอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นเราเป็นผู้บรรลุโพธิญาณแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้ทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจ จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลด้วยคถาว่ามานพทั้งหลายบริสุทธิ์ได้ด้วยการบําเพ็ญตบะใดท่านหลีจากการบําเพ็ญตบะนั้นแล้วเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์สําคัญว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านพลาดจักทางแห่งความบริสุทธิ์แล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า นี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าเรารู้แล้วว่าตะบะอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตบะทั้งปวงหาอานวยประโยชน์ให้ไหม่ดุดไม้พายหรือไม้ทอไม่อำนวยประโยชน์บนบกฉะนั้นจึงเจริญมกักคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อตรัสรู้ เป็นผู้บรรลุ ค, ความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมแล้วมารผู้ประทับซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองนาคสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญาช้าง สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแคร์ตรัสรู้ประทับอยู่ที่ต้นอชาปาระนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชราตําบลโอรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกําลังตกระบายอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปต้องการจะให้กลัวให้เกิดความสะดุง้งความคนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาค จึงแปลงกายเป็นพญาช้างใหญ่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพญาช้างนั้นมีศีรษะเหมือนก้อนหินใหญ่สีดําสนิทมีงาทั้งสองสีเหมือนเงินยวงมีงวงเหมือนงอนไถใหญ่ครังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าท่านแปลงกายทั้งที่งามและไม่งาม ท่องเที่ยวอยู่ตลอดการอันยาวนานมารผู้มีบาเบยพอกันทีสําหรับการแปลงกายของท่านมารผู้กระทําซึ่งที่สุดเราได้กําจัดท่านเสียจแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเอง สูพสูดว่าด้วยร่างกายที่งามณตำบลอูรุเวลาพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกปรักปรายอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัวความหวาดสะดุง้งความกล่นพองสยองเกล้าเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และแสดงเพศต่างๆหลากหลายทั้งที่งามและไม่งามในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัส ด, ด้วยคาถานี้ว่าท่านแปลงกายทั้งที่งามและไม่งามท่องเที่ยวอยู่ตลอดกาลอันยาวนานมารผู้มีบาปเอ๋ยพอกันทีสำหรับการแปลงกายของท่าน มารผู้กระทรรมซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วชนเหล่าใดสำรวมกายวาจาใจดีแล้วชนเหล่านั้นยอมไม่ตกอยู่ในอำนาจของมารยอมไม่เดินตามหลังมารครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปัธรรมมาระปาสักสูตร ว่าด้วยบ่วงแห่งมารสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมรกทัยาวันเขตกรุงพารณาณสีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิมุตคือความหลุดพ้น วิมุตอันยอดเยี่ยมเราบรรลุแล้ววิมุตอันยอดเยี่ยมเรากระทำให้แจ้งแล้วเพราะมนาสิกาโดยแยบคายเพราะตั้งความเพียรไว้ชอบโดยแยบคายแม้เธอทั้งหลายก็จงบรรลุวิมุตอันยอดเยี่ยมจงกระทำวิมุตอันยอดเยี่ยมให้แจ้งเพราะมนาสิกาโดยแยบคายเพราะตั้งความเพียรไว้ชอบโดยแยบคายเถิด ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้ปรากฏตัวขึ้นกล่าวคถานี้ว่าท่านได้ถูกบ่วงแห่งมารทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คล้องไว้แล้วท่านได้ถูกเครื่องผูกของมารผูกไว้แล้วสมณะท่านไม่พ้นจากเราไปได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี่คือมารผู้มีบาป จึงตรัสกลับมานั้นด้วยพระคถาว่าเราได้พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมารทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราได้พ้นแล้วจากเครื่องผูกของมารมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กําจัดท่านเสียแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณนะที่นั้นเอง ทุติยมาระาปาสสูตรว่าด้วยบ่วงแห่งมารสูตรที่สองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีเช่นเดียวกันราพูมีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงจา้าริบไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเธอจะได้ไปโดยทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมะมีความงามในเบื้องตน้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด จงประกาศโรอมอาจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสหยุดทุลีในตาน้อยมีอยู่ยอมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมจะมีผู้รู้ธรรมะภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นมารผู้มีบาปรากฏตัว และกล่าวคถานี้ว่าท่านได้ถูกบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์คล้องไว้แล้วท่านได้ถูกเครื่องพันธนาการมากมายผูกไว้แล้วสมณะท่านไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสพระคถานี้ว่าเราได้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราได้พ้นแล้วจากเครื่องปัท น, นาการมากมายมารผู้กระทาซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปนับที่นั้นเองสัปพสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นพญางู สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชครือสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดและฝนกําลังตกปรัปลายอยู่ครังนั้นมารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัวความหวาดระดงความขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงแปลงกายเป็นพญางูใหญ่ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพญางูนั้นมีกายเหมือนเรือลำใหญ่ที่ขุดด้วยสูงทั้งต้นมีพังพานเหมือนเสือลำแพนผืนใหญ่สำหรับปูตากแป้งของช่างทาสุรามีในตาเหมือนทาสมริดใบใหญ่ของพระเจ้าโกศลมีลิ้นลาบออกจากปากเหมือนสายฟ้าแลบในขณะที่เมฆกาลังกระหึมมีเสียงหายใจเข้าออก เหมือนเสียงสูบของช่างทองที่กำลังพ่นลมอยู่ฉะนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า น, นิคือมารผู้มีบาปจึงตรัสพระาถานี้ว่ามุณีใดอาศัยเรือนว่างอยู่มุณีนั้นสำรวมตนได้แล้วเขาสละความอาลัยในอัตภาพนั้นเที่ยวไปราะการสละความอาลัยในอัตภาพแล้วเที่ยวไปนั้น เหมาะสมแก่ผู้เช่นนั้นสัตว์ที่สัญจรไปมาก็มากสิ่งที่น่ากลัวก็มากอันหนึง่งเหลือบและสัตว์เลื้อยคลานก็ชุกชุมแต่มหามุนีผู้อยู่ในเรือนว่างไม่หวั่นไหวเพราะสิ่งที่น่ากลัวเหล่านั้นแม้เพียงคนลุกถึงแม้ท้องฟ้าจะแตกแผ่นดินจะไหวสัตว์ทั้งหลายจะสะดุ้งกลัวกันก็ตามที ถึงแม้หอกจะจ่ออยู่ที่อกก็ตามเถิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ทรงป้องกันตัวครั้งนั้นมารผู้มีบาเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณนะที่นั้นเองสุ ป, ปฏิสูตว่าด้วยการบรรทม สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชเกลืครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งเกือบตลอดราตรีในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าพระวิหารทรงสําเร็จสีหาสยยาโดยพระปัตต์เบื้องขวาทรงสอนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงทําความหมายรู้ที่จะเสด็จลุกขึ้นไว้ในพระไทยครั้งนั้นมารผู้มีบาปปรากฏตัวขึ้นและกล่าวคถานี้ว่าท่านหลับหรือไรทําไมท่านยังหลับอยู่เล่าท่านหลับเหมือนตายเชียวหรือไงท่านหลับโดยคิดว่าเราได้เรือนว่างอย่างนั้นหรือเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วทําไมท่านยังหลับอยู่เล่า ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงตรัสพระคถานี้ว่าผู้ไม่มีตัณหาดุจตะขายซึ่งสร้างไปในอารมณ์ต่างๆที่จะนำไปสู่ในไหนๆถึงหลับอยู่ก็ชื่อว่าตื่นเพราะอุปัติทั้งปวงคือขันธ์กิเลสอภิสังขารและกามคุณสิ้นไป เรื่องอะไรของท่านในเรื่องนี้เล่ามานมานผู้มีบาปเสียใจและหายตัวไปณที่นั่นเองนันทนะสูตรว่าด้วยความยินดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพราเจตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี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 จึงตรัสพระคาถานี้ว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้นรชนเศร้าโศกฉะนั้นคนที่ไรอุปธิจึงไม่เศร้าโศกครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเรา แล้วหายตัวไปณนะที่นั้นเองปัธตมาอายุสูตรว่าด้วยอายุสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวั น, วนเกตกรุงราชกฤชณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ร, รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย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 มารผู้มีบาปปรากฏตัวขึ้นและกล่าวคถ า, านี้ว่ามนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนยาวคนดีไม่ควรดูหมิ่นอายุนั้นเลยควรทําตัวเหมือนเด็กอ่อนที่คอยแต่จะดื่มนมฉะนั้นความตายยังมาไม่ถึงหรอกครั้งนั้นพระผู้มีประภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสพระคถ า, านี้ว่า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 ว่าด้วยอายุสูตรที่สองเหตุการณ์ณกรุงราชครื้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายะพภควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ภิกษุทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มีน้อยครั้งนั้นมารผู้มีบาปรากฏตัวขึ้นและกล่าวคถานี้ว่าวันคืนไม่ล่วงไปชีวิตไม่ดับไปอายุหมุนตามสัตว์ทั้งหลายดุดกงล้อหมุนตามทูบรถฉนั้นครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า น, นี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสพระคถานี้ว่าวันคืนล่วงไปชีวิตดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคต ทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปนัดที่นั้นเองมารสั่งยุดว่าด้วยเรื่องมารตุติยาวั์หมวดที่สองปาสานสูตรว่าด้วยมารกลิงศิลา สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิตสกูดเขตกรุงราชฤษสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจง้งในราตรี อ, อันมืดมิดครั้งนั้นมารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงปรากฏตัวขึ้น แล้วกลิงศิลาขนาดใหญ่ลงไปในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสคาถานี้ว่าถึงแม้ว่าท่านจะกลิ้งภูเขาคิจกูดมาทั้งลูกพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบก็ไม่มีความวันไว้ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเรา จึงหายตัวไปณนะที่นั้นเองสีหาสูตรว่าด้วยราชสีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันมารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครังนั้น มารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณโคดมนี้มีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณโคดมเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดลำดับนั้นมานผู้มีบาปปรากฏตัวขึ้นแล้วกล่าวคถานี้ว่าทำไมท่านจึงกล้าบันลือดุดราชสีในถ้มกลางบริษัท คนที่พอจะต่อสู้กับท่านได้ก็ยังมีท่านเข้าใจว่าเป็นผู้ชนะแล้วรือพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาว่าประตัาคตทั้งหลายผู้เป็นมหาวีระผู้บรรลุทศพลยานข้ามตัญหาอันเป็นเหตุสร้างไปในโลกได้แล้วจึงกล้าบรรลือในถ้ำกลางบริษัทครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปนที่นั้นเองสำหรับทศพลยานหมายถึงพระญาณอันเป็นกาลังของพระตถาคตสิบประการที่ทำให้พระองค์บรรลือศีนานาธประกาศพระศาสนาได้มั่นคงได้แก่ฐานาฐานายาณปริชาอย่างรู้กฎธรรมชาติเกี่ยวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งทั้งหลาย กรร ม, มะวิปากยานปริชาอย่างรู้ผลของกรรมสัพพัทธคามินิปฏิปทายานปริชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ข้อปฏิบัติทั้งปวงหรือสู่ประโยชน์ทั้งปวงนานาทาตุยานปริชาอย่างรู้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตาุต่า ง, างเป็นอเนกนานาธิมุติกายาน ปรีชายอย่างรู้อัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายอินทริยประปโรปริยตญาณปรีชายอย่างรู้ความยิ่งความย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายชานาที่สังกิเลสาทิญาณปรีชายอย่างรู้ความเศร้าหมองความผ่องแผ้วเป็นต้นอุเพนิว า, านุสติญาณปรีชายอย่างรู้พบที่เคยอยู่ในหนหลังได้ จุตูปปาตญาณปรีชาอ ย, ย่างรู้จุติคือการตายและอุบัติคือการเกิดของสัตว์ทั้งหลายอาสวะรคยญาณปรีชาอ ย, ย่างรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายส ก, กะลิกสูตรว่าด้วยสกเกตหิน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 ระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปู่้าสังขติสี่ชั้นทรงพักผ่อนด้วยการสำเร็จสีห์สยาครั้งนั้นมารผู้มีบาปปรากฏตัวขึ้นและทูลถามด้วยพระคาถาว่าท่านนอนด้วยความซึมเศร้าหรือมัวเมาคิดกากกรอนอะไรอยู่ประโยชน์ของท่านมีไม่มากท่านอยู่ณที่นอนที่นั่งอันสงัดแต่ผู้เดียวตั้งหน้าแต่จะหลับ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 ร้อยหัไทยให้ลุ่มหลงอยู่แม้ชนเหล่านั้นในโลกนี้ทั้งงที่มีลูกศรเสียบอกอยู่ก็ยังหลับได้ทำไมเราผู้ปราศจากลูกศรแล้วจะหลับไม่ได้เราเราเดินไปแม้ในทางที่มีภัยก็ไม่หวาดวัน่นถึงหลับอยู่ก็มิได้กลัวเกรงกลางคืนและกลางวันไม่ทำให้เราเดือดร้อน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 สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นาหมู่บ้านพราหม์ชื่อเอกศาลาแขวนโกสลสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีคฤหัสบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครังนั้นมารผู้มีบาปเห็นดังนั้นจึงตั้งใจเข้าไปเพื่อทำให้บริษัทลงเข้าใจผิดได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วกล่าวคถานี้ว่า ท่านพร่มสอนธรรมะใดแก่ผู้อื่นธรรมะนั้นไม่สมควรแก่ท่านเลยเมื่อท่านกล่าวสอนธรรมะนั้นอย่าได้คล้องในความยินดียินร้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ทรงพร่ำสอนธรรมะใดแก่ผู้อื่นตถาคตหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายในธรรมะนั้นแล้ว ครั้งนั้นมานเป็นทุกข์เสียใจและหายตัวไปณที่นั้นเองมานสัจ ส, สูตรว่าด้วยบ่วงใจสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมานผู้มีบาปรากฏตัวขึ้นและกล่าวคาถาว่าบ่วงนี้เที่ยวไปในอากาศ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 ลำดับนั้นมานเสียใจและหายตัวไปนัดที่นั้นเองปัตตสูตรว่าด้วยเรื่องบาตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกาถาที่เกี่ยวกับอุปาทานขันห้าภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงียโส ด, สดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้เห็นดังนั้นจึงคิดจะทำให้เหล่าภิกษุเข้าใจผิดสมัยนั้น ภิกษุเหล่านั้นได้วางบาศส่วนใหญ่ไว้ในที่กลางแจง้งมารผู้มีบาปแปลงกายเป็นโคพริพัทเดินไปยังที่วางบาศภิกษุรูปหนึ่งจึงบอกกับภิกษุอีกรูปว่าภิกษุโคภริพัทนั่นกําลังจะทําบาตแตกเมื่อภิกษุพูดอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่านั่นไม่ใช่โคพลิพัทนั่นคือมารผู้มีบาป มาเพื่อลวงให้เธอหลงเข้าใจผิดพระผู้มีพระภาคตรัสคาทานี้กับมานั้นว่าอริยสาวกย่อมเบื่อนายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ของเราแม้มานและเสนามานสแสวงหาอยู่ในที่ทุกแห่ง ก็ไม่พบอริยาสาวกผู้เบื่อหน่ายแล้วอย่างนี้ผู้มีอัตภาพอันกเกษมและล่วงพ้นสังโยชน์ทั้งปวงลำดับนั้นมานผู้มีบาปเสียใจและหายตัวไปณที่นั้นเองอายตนะสูตรว่าด้วยอายตนะหก สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูน่นาคูตาคารสาลาปามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกาถาที่เกี่ยวกับผัสสะยตนาหกภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สําเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงียโสโสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดว่า จะทำให้เหล่าภิกษุนั้นหลงเข้าใจผิดจึงปรากฏตัวขึ้นแล้วได้ร้องเสียงดังน่าสะเวึงกลัวประดุดแผ่นดินจะถล่มในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวกับภิกษุรูปหนึ่งว่าแผ่นดินนี้จะถล่มทลายเสียละกกระมังเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุ แผ่นดินนี้ไม่ถลม่มหอบภิกษุทั้งหลายนั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงให้พวกเธอหลงเข้าใจผิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคถาว่ารูปเสียงกลิ่นรสพทธัพและธรรมารมณ์ทั้งสิ้นนั้นเป็นโลกามิตรอันแรงกลา้าชาวโลกพากันหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้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 สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หมู่บ้านพรามชื่อปัญจส า, าลาแขวนมคตสมัยนั้นมีงานนักคัรเตอกแจกของแก่พวกเด็กๆครันรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปบิณฑบาตสมัยนั้นพรามค้าา บ, บดีชาวปัญจส า, าลาถูกมารผู้มีบาเข้าดลใจด้วยประสงว่าพระสมณโคดม อย่าได้อาหารบิทธบาตเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหมู่บ้านเพื่อบิทธบาตด้วยบาทเปล่าอย่างใดก็เสด็จกลับมาด้วยบาทเปล่าอย่างนั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปรากฏตัวขึ้นและกล่าวว่าสมณะท่านได้อาหารบิทธบาต บ, บ้างไหมตรัสตอบว่ามารผู้มีบา ท่านทำให้เราไม่ได้อาหารบินธบาติมิใช่หรือมานผู้มีบากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านจงเสด็จกลับเข้าไปเพื่อบินธบาตใหม่อีกครั้งข้าพระองค์จะกระทําพระผู้มีพระภาคให้ได้อาหารบินธบาตพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานขัดขวางตถาคตได้ประสบสิ่งไม่ใช่บุญแล้วมานผู้มีบาป ท่านเข้าใจว่าบาปยอมไม่ให้ผลแก่เราอย่างนั้นหรือพวกเราในที่นี้คือพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุนะครับพวกเราไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลอยู่สุขสบายจริงหนอพวกเราจะมีปีติเป็นพักษาคือมีปีติเป็นอาหารดุจเทพชั้นอภัสสรชะนั้นครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจ และหายตัวไปณนะที่นั้นเองกัดสกัสสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นชาวนาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาที่ประกอบด้วยนิพพานภิกษุเหล่านั้น ต่างตั้งใจเงียโสดสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้เห็นดังนั้นจึงคิดจะเข้าไปเพื่อลวงหลอกภิกษุให้หลงเข้าใจผิดจึงแปลงกายเป็นชาวนาแบกไถใหญ่คือประตักด้ามยาวผมยาวรุงรังนุ่งผ้าเนื้อหยาบเท้าทั้งสองเปื้อนโคลนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามดังนี้ว่า ข่าแต่ประสมณะโคดมท่านเห็นโคปริพัทบ้างไหมตรัสตอบว่ามานผู้มีบาปท่านต้องการอะไรเกี่ยวกับโคผริพัททั้งหลายเล่ามานกล่าวว่าสมณะจักขุคือตาเป็นของเรารูปเป็นของเราอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขุสัมผัสคือความกระทบทางตาหรือตาเห็นรูป เป็นของเราท่านจะหนีเราไปไหนพ้นโสตคือหูเป็นของเราสัทธะคือเสียงเป็นของเราขานะจมูกเป็นของเราคันทะกลิ่นเป็นของเราชิวหาลิ้นเป็นของเรารสเป็นของเรากายเป็นของเราปทภะการสัมผัสถูกต้องทางกายเป็นของเรา มโนโคือใจเป็นของเราธรรมารมณ์อารมณ์ที่ใจรู้สิ่งที่ใจคิดใจนึกเป็นของเราอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสความกระทบทางใจเป็นของเราท่านจะหนีเราไปไหนพ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานผู้มีมาปจะขูเป็นของท่านรู้เป็นของท่าน อายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขู่สัมผัสเป็นของท่านโดยแท้แต่ในที่ใดไม่มีจักขู่ไม่มีรูปไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจากักขูสัมผัสที่นั้นมีใช่ทางดําเนินของท่านและโดยในยะเดียวกันโสตหูสัทธาเสียงคานาจมูกคันทะกลิ่นชิวหาลิ้นและรส กายและผลัพภะมโนและธรรมารมณ์ทั้งหมดนี้เป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากสัมผัสเป็นของท่านแต่ในที่ใดไม่มีโสตะไม่มีสัต t ะไม่มีคานะและคัน t ะไม่มีชิวหาแล้วรสไม่มีกายและผลทัพภะไม่มีมโนและธรมมารมณ์ไม่มีอายตนะคือวิญญาณ มันเกิดจากอายตนะแต่ละอย่างสัมผัสที่นั้นมีใช่ทางดําเนินของท่านมารกล่าวว่าชนเหล่าได้กล่าวถึงสิ่งใดว่านี้ของเราทั้งยังกล่าวว่าของเราถ้าใจของท่านยังฝังอยู่ในสิ่งนั้นสมณะท่านก็จะไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ชนเราใดกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราชนเราใดกล่าวชนเหล่านั้นไม่ใช่เรามารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ท่านย่อมไม่เห็นแม้ทางของเราลำดับนั้นมารผู้มีบาปเสียใจและหายตัวไปณที่นั้นเอง รัชสูตรว่าด้วยมารอัญเชิญพระผู้มีพระภาคให้เสวยราชสมบัติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกระท่อมกลางป่าในหิมมวันตบประเทศแขวนโกศลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีเกเล่นอยู่ในที่สงัดเกิดความรําพึงอย่างนี้ว่าเราจะสามารถเสวยราชสมบัติโดยธรรม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 ขอพระผู้มีพระภาคจงสวยราชสมบัติเถ hm ิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระสุกฏจงสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช่ผู้อื่นให้เบียดเบียนไม่ทำเขาให้เสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเองไม่ใช่ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารผู้มีบาป ท่านเห็นอะไรของเราทำไมจึงพูดกับเราอย่างนี้มานกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทิบาทสี่ประการพระองค์ทรงเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้หนึ่งเนืองสั่งสมแล้วปรารบเสมอดีแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงพระประสงค์พึงอธิษฐานภูเขาหลวงชื่อว่าหิ ม, มพาน ให้เป็นทองคาล้วนภูเขานั้นก็เป็นทองคาล้วนได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสกลับมาด้วยพระคาถาว่าภูเขาทองคําล้วนทั้งลูกถึงสองเท่าก็ยังไม่จุใจสาหรับบุคคลคนหนึ่งบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติสงบผู้ใดเห็นทุกมีการเป็นต้นเหตุแล้วผู้นั้น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 มาราสังยุตติยาวักหมวดที่สามสัมภูลสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, า น, นาครศิลาวดีแคว้นสักกะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาค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 แต่ไม่เพลิดเพลินในกามคุณทั้งหลายขอพวกท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่านอย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าวิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลยภิกษุเหล่านั้นตอบว่ารามพวกข้าพเจ้ามิได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหาการทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลยแต่พวกข้าพเจ้าละกามทิพย์อันมีอยู่ตามกาล แล้ววิ่งไปหาธรรมะที่เห็นเฉพาะหน้าปรามเพราะว่ากามทั้งหลายอันนี้มีอยู่ตามการพระผู้มีพระภาตรัสว่ามีทุกข์มากมีความขับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งหนักส่วนธรรมะนี้เป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการคือไม่จำกัดเวลา ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนบรรวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมารผู้มีบาปจึงสันสีษะแลบลิ้นทำหน้าผากให้ย่นเป็นสามรอยยันไม่เท้าจากไปครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 พึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธินั้นสมทิที่สูดว่าด้วยพระสมิธิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นครศิลาวดีแคว้นสักกะสมัยนั้นท่านพระสมิธ ท, ทีเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาค ครั้งนั้นท่านพระสมิทธิลกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคํานึงอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราหนอที่เราได้พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาของเราเป็นลาบของเราที่เราได้บวชในพระธรรมวินันอันพระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นลาบของเราที่เราได้เพื่อนปรมจารีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม ครั้งนั้นมารผู้มีบาปทราบความคิดคำนึงของท่านพระสมิทธิธด้วยใจแล้วเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วทําเสียงดังน่าสะรึงกลัวน้าหวาดเสียวประดุดแผ่นดินจะถลม่มณที่ใก ล, ททกล้ท่านพระสมิทธิลำดับนั้นท่านพระสมิทธิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาทถวายอภิวาสและกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาตรัสว่า สมิธินั่นไม่ใช่แผ่นดินจะถลม่มนั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงให้เธอหลงเข้าใจผิดเธอจงไปเถิดสมิธิจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่นั้นเถิดท่านพระสมิธิรับพระดำรัสแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาวพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปแม้ในครั้งที่สอง แม้ในครั้งที่สามมารผู้ใจบาปก็ยังกระทําเช่นเดิมลำดับนั้นท่านพระสมิทธิทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงกล่าวกับมานั้นด้วยคทถาว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเรารู้สติและปัญญาแล้วอันหนึง่งจิตก็ตั้งมั่นดีแล้วท่านบรรดาลรูปร่างให้หน่ากลัวแค่ไหน ก็ทำให้เราหวั่นไหวไม่ได้ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าภิกษุสมิทธิ์ที่รู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองโคติกาสูตรว่าด้วยพระโคติกะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชเครือสมัยนั้นท่านพระโกธิกะอยู่ที่วิหารกาลาศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิครั้งนั้นท่านพระโกธิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุธิกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตชัวคราวข้อนี้หมายถึงโลกิยะสมาบัติ ภายหลังท่านพระโกธิกะเสื่อมจัดเจโตวิมุตช่วงราวนั้นต่อมาท่านพระโกธิกะก็ได้บรรลุเจโตวิมุตช่วงราวแล้วก็เสื่อมจัดเจโตวิมุตช่วงราวนั้นแม้ครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าและครั้งที่หกจนมาถึงครั้งที่เจ็ดท่านพระโกธิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศการและใจอยู่ ก็ได้บรรลุเจโตวิมุตช่วงกราวนั้นอีกครั้งนั้นท่านพระโกธิกะได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้เสื่อมจากเจโตวิมุตช่วงกราวหกครั้งแล้วทางที่ดีเราพึงนำสัตรามาข้อนี้หมายถึงนำของมีคมมาฆ่าตัวตายมาเชือดคอตายลำดับนั้นมานผู้มีบาป ทราบความคิดคำนึงของท่านพระโคติกาด้วยใจแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกล่าวคาถาดังนี้ว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีปัญญามากผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธและยศผู้ก้าวล่วงเวรและภัยทั้งปวงผู้มีจักสุขข้าพระองค์ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทข้าแต่พระมหาวีระผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง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 ลำดับนั้นท่านพระโคติกะได้นำสัตร์มาข้อนี้เป็นสำนวนหมายถึงเชือดคอตายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้ตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคถาว่านักปราดทั้งหลายทําอย่างนี้แลย่อมไม่ห่วงใยชีวิตพระโคติกะถอนตันหาพร้อมทั้งรากบริณิพานแล้ว ครั้งนั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะไปยังวิหารกาละสิลาข้างภูเขาอีกสีคิลิซึ่งเป็นสถานที่ที่โคทิกะกุลบุตรนำสตรามาภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังวิหารกาลาสิลาพร้อมด้วยภิกษุจานวนมาก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 เธอทั้งหลายเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอบลอยไปทุกทิศนี้หรือไม่เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นแหละคือมารผู้มีบาปค้นหาวิญญาณคือปฏิสนธิจิตของโคติกาคุลระบุด้วยคิดว่าวิญญาณของโคติกะคุลระบุรสถิตอยู่หน้าที่ไหน ภิกษุทั้งหลายโกธิกะกุลรบุตไม่มีวิญญาณสถิตยอยู่ปรินิพานแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปถือพินสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุกเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคถาว่าข้าพระองค์ค้นหาทั้งทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวา คือทั้งทิศใหญ่และทิศเฉียงก็ไม่พบท่านพระโกติกะนั้นไปหน้าที่ไหนเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่านักปราดผู้ใดสมบูรณ์ด้วยปัญญามีปกติเพ่งพินิษยินดีในฌานทุกเมื่อภาคเพียรอยู่ตลอดวันและคืนไม่เสียดายชีวิตชนะกองทัพมัจจุแล้วไม่กลับมาสู่พบใหม่นักปราดนั้น คือโคธิกะกุลบุต์ได้ถอนตันหาพร้อมทั้งรากบริณิพานแล้วพินได้พลัดตกจากรักแร้ของมารผู้มีความเศร้าโศกในลำดับนั้นมารผู้เป็นยักษ์นั้นเสียใจจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสำหรับการฆ่าตัวตายของพระที่ได้สำเร็จเป็นพระอราหันต์นั้นควรศึกษาในพระอัจฉกิาอีกครั้งนะครับ ไม่ควรด่วนสรุปเองหรือสามารถย้อนฟังจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีสัตตวสานุพันทสูตรว่าด้วยมารหาโอกาสทำลายพระพุทธเจ้าตลอดเจ็ดปีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ต้นอชาชปาละนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเดรัญชรา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 ท่านเสื่อมจากทรัพย์สมบัติหรือหรือว่ากําลังปรารถนาอะไรอยู่ท่านเดชทําความเสียหายร้ายแรงอะไรไว้ในหมู่บ้านหรือเพราะเหตุไรท่านจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเล่าหรือว่าท่านเป็นมิตรกับใครๆไม่ได้พระผู้มีพระภาตรัสว่าท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของบุคคลผู้ประมาทเราขุดรากของความเศร้าโศกได้หมดแล้ว ไม่มีความเสียหายไม่เศร้าโศกเพ่งพินิษฐ์อยู่เราตัดความติดแน่นคือความโลภในภพทั้งปวงไม่มีอาสวะเพ่งพินิษ์อยู่มารกล่าวว่าจนเราได้กล่าวถึงสิ่งใดว่านี้ของเราทั้งยังกล่าวว่าของเราถ้าใจของท่านยังฝังอยู่ในสิ่งนั้นสมณะท่านก็จะไม่พ้นจากเราไปได้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 จะต้องพรามสอนคนอื่นทำไมเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดเป็นผู้มุ่งไปสู่ฟังชนเหล่านั้นย่อมถามถึงนิพพานอันไม่ใช่ที่อยู่ของมารเราถูกชนเหล่านั้นถามก็จักบอกเขาว่าสิ่งใดเป็นความจริงสิ่งนั้นไม่มีอุปธิมารกล่าวว่า มีสระบกกรณีในที่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมในสระนั้นมีปูอยู่ครั้งนั้นเด็กชายหรือเด็กหญิงจำนวนมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้นแล้วเข้าไปยังสระบกอรณีนั้นจับปูนั้นขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกปูนั้นก็ชูก้ามทั้งสองออกเด็กชายหรือเด็กหญิงเหล่านั้นพึงริดพึงหักพึงทำลายก้ามนั้นทุกๆก้าม ด้วยไม้หรือก้อนหินก็เมื่อเป็นอย่างนั้นปู่นั้นถูกริษก้ามถูกหักก้ามถูกทำลายก้ามหมดแล้วยอมไม่อาจไต่ลงไปสู่สักดิบุคคกรณีนั้นเหมือนแต่ก่อนฉันไดอารมณ์แม้ทุกชนิดมันเป็นวิสัยของมารที่ทำให้สัตว์เสพติดทำให้สัตว์ดิ้นรนอารมณ์นั้นทั้งหมดอันพระผู้มีพระภาคตัดรอนหักรานย่ำยีหมดแล้ว บัด น, นี้ข้าพระองค์ผู้คอยหาโอกาสย่อมไม่อาจเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคได้อีกฉันนั้นครั้งนั้นแหลมารผู้มีบาปได้พาสิทขาถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่ากาเห็นก้อนหินมีสีเหมือนมันคน้นจึงบินโฉบลงด้วยคิดว่าเราพึงได้อาหารโอชาในที่นี้เป็นแน่ ความยินดีพึงเกิดขึ้นโดยแท้กาไม่ได้ความยินดีในที่นั้นจึงโผบินไปจากที่นั้นข้าแต่พระโพดมข้าพระองค์ก็เหมือนกามาพบก้อนหินฉะนั้นก่อจากไปก่อนมารถีตุสูตรว่าด้วยีิดามาน ครั้งนั้นมารผู้มีบาปครั้นกล่าวคาถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเหล่านี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงหลุดจากที่นั้นไปนั่งขัดสมาธิที่พื้นดินไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเป็นอู้นิ่งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าส้มเศร้าหมดปฏิพานครั้งนั้นที่ดามานชื่อนางตัญหานางอารดีและนางราคาเข้าไปหามารผู้มีบาปถึงที่อยู่ แล้วกล่าวด้วยขัดหาว่าท่านพ่อท่านเสียใจด้วยเหตุไรหรือเศร้าโศกถึงบุรุษคนไหนพวกที่ฉันจับใช้บ่วงคือราคะนำมาถวายเหมือนบุคคลคล้องช้างป่านำมาฉะนั้นบุรุษนั้นจะตกอยู่ในอำนาจของท่านพ่อมารกล่าวว่าบุรุษนั้นเป็นพระอระหันต์เป็นพระสุคตในโลกก้าวล่วงบ่วงแห่งมารได้แล้ว ไกลๆพึงนำมาด้วยราคะไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจึงเศร้าโศกมากครั้งนั้นที่ดามานคือนางตันหานางอารดีและนางราคาเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคและกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจะขอปรนนิบัติพระยุคลบาทของพระองค์ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคไม่สงสัยพระไทยถึงคำของทิดามา น, นั้นเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมะเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วต่อมาทิดามานทั้งสามพากันจากไปณที่สมควรและปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกบุรุษมีความประสงค์ต่างๆกันทางที่ดีพวกเราควรเนรมิตเพศเป็นสาววัยรุ่นคนละหนึ่งรอลำดับนั้น ทิดามานคือนางตันหานางอรดีและนางราคาจึงเนรมิตเพศเป็นสาววัยรุ่นคนละหนึ่งร้อยเข้าไปเฝ้ากราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจะขอบร่นิบัติพระยุคลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคไม่ทรงใส่พระไัยถึงคำของทิดามานนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมะเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้ว ต่อมาที่ดามานทั้งสามเนรมิตรเพศเป็นหญิงที่ยังไม่เคยคลอดบุตรคนละหนึ่งร้อยไปเข้าเฝ้าเหมือนเดิมพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ส่งใส่พระไทยถึงเลยต่อมาที่ดามานทั้งสามจึงเนรมิตรเพศเป็นหญิงคลอดบุตรแล้วคราวเดียวคนละหนึ่งรเนรมิตรเพศเป็นหญิงที่คลอดบุตรแล้วสองคราวคนละหนึ่งร เนรมิตเพศเป็นหญิงแก่คนละหนึ่งร้อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่พระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้สงใส่ใจเลยเพราะพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมะเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วลำดับนั้นที่ดามานคือนางตันหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปณที่สมควรแล้วพูดกันว่าเรื่องนี้จริงดังบิดาของเราได้พูดไว บุรุษนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระสุคตในโลกก้าวลู่งบวงแห่งมานได้แล้วไกลไกลพึงนำมาด้วยราคะไม่ได้ง่า ย, ายเพราะฉะนั้นเราจึงเศร้าโศกมากอันหนึง่งถ้าพวกเราพึงเล้าลมสมณพราหมณ์ใดที่ยังไม่หมดราคะด้วยความพยายามอย่างนี้หัไทัยของสมณพราหมณ์นั้นพึงแตกลอยอิบอุ่ น, นพึงพุ่งออกจากปาก หรือเขาพึงบ้าหรือว่ามีจิตฟุ้งซ่านเหมือนอย่างต้นอ้อสดถูกลมพัดขาดเหี่ยวเฉาแห้งไปแม้ฉั้นใดสมณพราหมณ์นั้นพึงหงอยเหงาซูบซีดเหี่ยวแห้งไปฉันนั้นเหมือนกันครั้นแล้วที่ดามานคือนางตันหานางอรอดีและนางราคาพากันไปเข้าเป้าพระอูโมิพระภาคแล้วกราบทูลด้วยขถ า, าว่า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 เราชนะเสนามานคือรูปที่น่ารักและรูปที่น่าพอใจแล้วเพ่งพินิษ์อยู่ผู้เดียวได้รู้ความสุขเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเพราะความเป็นมิตรกับใกลๆไม่สำเร็จประโยชน์แก่เราลำดับนั้นนางอารดีทิดามานได้ทูลถามด้วยกถานี้ว่า ภิกษุในศาสนานี้มากไปด้วยวิหารธรรมอย่างไหนจึงข้ามโอคัทั้งห้าได้โอคัพทั้งห้าในที่นี้คือกิเลสอันเป็นไปทางทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นและกายและทูลถามว่าบัดนี้ท่านข้ามโอคะที่หกได้แล้วหรือยังโอคัที่หหมายถึงโอคัคือกิเลสอันเป็นไปทางมโนทวาร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 รู้ทั่วธรรมะมีปกติเพ่งพินิษฐ์อยู่ด้วยฌานที่สี่อัญหาวิตกมิได้ย่อมไม่กำเริบไม่ซ่านไปไม่เป็นผู้ยอท้อภิกษุในศาสนานี้มากไปด้วยวิหารธรรมอย่างนี้จึงข้ามโอคักทั้งห้าได้บัดนี้เธอข้ามโอคักที่หได้แล้วภิกษุผู้เพ่งฌานอย่างนี้มากกามสัญญาทั้งหลาย จับยึดเธอไม่ได้จึงห่างเหินไปลำดับนั้นนางราคาทิดามานได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคทถาว่าพระศ า, าสดาผู้นำมู่สง์ได้ตัดตัณหาขาดแล้วและชนผู้มีศรัทธาเป็นอันมากจากประพฤติตามได้แน่พระศ า, าสดาพระองค์นี้เป็นผู้ไม่มีความอาลัย ตัดขาดจากมือมัจุราชได้แล้วจะนำหมู่ชนเป็นอันมากไปสู่ฟังได้แน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้เป็นมหาวีระย่อมนำสัตว์ไปด้วยพระสัตรธรรมเมื่อพระตถาคตนำไปอยู่โดยธรรมความริษยาจะมีแก่ท่านผู้รู้ได้อย่างไร ลําดับนั้นทิดามานชื่อนางตันหานางอรดีและนางราคาผาดกันเข้าไปหามานผู้มีบาปถึงที่อยู่มานผู้มีบาปเห็นทิดาทั้งสามมาแต่ไกลจึงได้กล่าวคาถาทั้งหลายว่าพวกเธอา ง, งโง่เขลาผาดกันทำลายภูเขาด้วยก้านบัวขุดภูเขาด้วยเล็บเคี้ยวเหล็กด้วยฟันพวกเธออาศัยพระโคโดมอาที่พึง่ง จะเป็นดุดคนวางหินไว้บนศีรษะแล้วเจาะหาที่พึ่งในบาดาลฉะนั้นพวกเธอเหมือนเอานามมายอกอ ก, อกพ่อจงหลีไปเสียเถิดพระธรรมสังคาหากาจารย์กล่าวว่าพระศาสดาได้ขับไล่นางตันหานางอรดีและนางราคาผู้มีรูปนาทัศนายิ่งซึ่งได้มาในที่นั้นให้หนีไป ดุดลมพัดปุยนุ่นฉะนั้นมารสังหยุดว่าด้ยวยเรื่องมารจบบริบูรณ์